เอานั่งให้สบายจะบอกวิธีรักษาใจไม่ต้องปะนมมือนั่งขัดสมาธิก็ได้นั่งพัะเพียบก็ได้บอกวันนี้ต่อไปไม่คิดอะไรหรอกวันนี้จะรักษาใจให้เป็นบุญพูดภาษาบานเราจะบอกวิธีให้ทำไปเลยเอาวางกายสบายวางใจสบายตากลับเสียให้นึกว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจต่อจากนั้นให้นึกถึงคณของท่าน เนืพุโทโธธรรมโมสังโฆพุโทโธธรมโมสังโฆพุโทโธธรมโมสังโฆเนืพุโทโธพุทโธมาอหูก็ไปฟังตาจ้องมองดูนะเราจะทานความคิดนะ่ะไม่คิดเราเคยคิดมาตั้งแต่เกิดมาพอแรงไม่เอ็มไม่พอมันนี่ทานความคิดนะ่ะมาคิดมาเนื้อเก่านึ ก, น ก, นกเรียกใจมาจากนาลูกจากเปจากจัดคนกับ่เอา นึกพุทโธพุทโธผูกไว้อสติเป็นเครื่องผูกอยู่ตรงนั้นไปคิดไว้ไม่บ้านไ ม, ม, าม่เมืองทานเสียนรกกับเอาเปรตกับเอาสัตว์กับเอาคนกับเอาไม่คิดว่าเป็นคนเหรอใจนึกพุทโธพุทโธเป็นเทวดาไว้อยู่ตรงนั้นหัดใจเป็นเทวดาทานความคิดเราโ น, นเราคิดไปทั้งทุกข์ก็ทุกข์แบบนี้มานึกพุทโธพุทโธพุทโธอย่างนะันึกเร็วเดีวเข้าก็ได้อยูตรงนั้นอยู่ตรงนั้นหัดรักษา ถ้าใครนึกพุทโธได้แล้วหัดหยุดคิดเลยไม่คิดอะไรยิ่งดีท่านี้ถ้ามันนึกพุทโธไม่ได้คิดไปเจ็บมาปวดว่าเมื่อยพยายามดึงเข้ามาว่าดึงมันยังไม่อยู่อยู่ว่ายังคิดไปนอนไปนี่ว่านี่สอนเจ้าของเขาว่าเขาเจ็บเขาวปวดเขาเมื่อยเขามีไว้เขาไม่ได้ว่าเราคิดขึ้นมาเองโทษเจ้าของเลยว่าเราก็ได้ว่าใจก็ได้ร่างกายมายืมเขาอยู่ที พูดภาษากรรมาฐานกวอนโรก้อนทุกข์ก้ขี้ได้งานก้อ น, กกอนทำ ธ, ธรรมดาเขาเป็นอย่างนั้นวันนี้จะไปอยู่กับมันอยู่กับคุณพระพุทธเจ้าเบื้องน้มตั้งนโมน้อมถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์น้อมอย่างไรมันจะโกรธเนื้อพุทโธมันจะเครียดนึกพุทโธห้าข้อเพิ่นให้ละเว้นได้เป็นที่อยู่ของใจไม่ใช่อ้อนวอนได้จะไปอ้อนวอนให้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาช่วยนะมันเป็นที่อยู่ของใจเหมือนที่อยู่ของร่างกายเบื้องโน้มเขาสร้างห้องแอร์ห้องประลอมได้ ไอ้สิ่งหลายอย่างบ้า น, นี้เราจะไปบ้านนี้เราสร้างสวรรค์ก็ได้ทําใจเป็นสวรรค์นึกพุทโธพุทโธเป็นเทวดาเพลิดเพลินไปไหนไม่เว้มีไปตายก็ไปอยู่สวรรค์มาเป็นคนก็มาทุกข์มายากัดละคนอยู่ยวตรงนั้นอ่าฮัดรักษาฮัดรักษาไว้ต่อไปหัดษาเหมือนเราทํางานทํางานก็ได้เงินอ่าอันนี้รักษาใจให้เป็นบุญคือความสุขอย่าว่าประพฤติทธรรมพวกเราเรียนจบแล้วมาทํางานเอาเงิน เอาเงินมารักษาร่างกายเรต้องอธิบายเลยเปี่ยนจากเงินเองอันนี้มารักษา ใ, ใจให้เป็นบุญคือความสุขบรโนเราเว้นโทษห้าขอจะเป็นมนุษย์อุดมสมบูรณ์ห้าข้อเป็นโทษไม่ใช่ศีลเมื่อเราเว้นโทษเราปัจจัยปกเกิ่เกิดเคลนขึ้นม า, าว่ามีทรัพย์มีความสุขทํางานก็ได้เงินอาจะเป็นบางคนก็นมาทุกข์ม่ยากเหนนี้อย่าเอาอยไปคนทานคนส่งคืนซะบัดเดามนึกพุทโธพุทโธใจเป็นเทวดาขึ้นมา คนพวกเรานี่มีความรู้กระไดเงินหลายอันนี้ดูที่ไหนก็นึกพุโทโธพุโทโธเป็นสวรรค์เลยตายก็ไปเป็นสุยู่สวรรค์นี่ไปไหนมี ไ, มไฟได้แค่นี้ก็ยังดีทานความคิดเรื่องทุกเรื่องยากเราคิดไปหมดอไม่ดูตรงนั้นตั้งแต่เกิดไม่ยิ่ไม่พออันนี้ขี่แก่คิดทานกลางคืนนึกเอาไปอ่านึ ก, นกพุโทโพุโทโธพุโทโพุโทพโพโธพวกเราวันโน้เรียนจบจะมาทํางานทานความรู้คนมีความรู้อะไรกระไดเงินหลายหมด ทำอยู่ห้องแอร์ซ้ําได้เงินก็มีความรู้ทํางานเอาเงินไม่ใช่เอางานอยุดเอางา น, นเอาเงินมารักษาร่างกายให้อยู่ได้สบายแสงหน่อยอันนี้ว่ารักษาใจให้เป็นบุญคือความถูกเลยเพียงเราเว้นโทษห้าก็เป็นมนุษย์อุรมสมบูรณ์มันเป็นโทษอะเมื่อมัเป็นคนกระทุกบัด น, นี้เดี๋ยวจะไปคิดไปค้นเป็นเถวด่าดิตายกัไปอยู่สวรรค์อายุหลายล้านปีต่อไปทานความคิดได้อย่างดีให้ทําเป็นฐานหยุดไม่คิด ไม่เกิดหมดเรื่องถ้าสมมติเราเป็นพระบุญเต็มหมดลมหายใจไม่เกิดหมดเรื่องมานี้ยอันนี้ให้ทําเป็นฐานระดัการให้ทั้งปวงอันแจงหนังสือไม่ใช่ทําตาําราตัวทําคือความคิดเราคิดไปทางทุกุศลธรรมคิดไปทางดีกุศลธรรมบ า, มบ า, บ า, น, า, บานี่หมายโนเราบ้านหัดมานักปุถุพุโธเป็นกุศลบาเนี่ยุดเน่งทานหมดให้ทําเป็นทานหยุดไม่คิดบุญเต็ม หยดได้ถ้บุญเต็มเท่านั้นแต่มันยากแค่ได้ผุ้โตุู้โ ต, โตโก็ยังเป็นโตโตนั่นฮัดเราฮัตรักษาใจไปเสื้อพรั่งพรั่งไม่มีใจมีแต่กายมันจะหาเสื้ อ, ข, อข้างก็ย้อนมาสะดวกสบายหมดเพราะวันมันวัดมาได้เองนั่นวัดไม่ได้ต้องรูเองเรื่องของนั้นฮัต ร, รักษาฮัตรักษาบอกวิธีบันนี้เราก็คิดเองถามร่างกายไม่บริสุท ธ, ธิ์ใทุกเราคิดไม่เป็น ถ้ามันยึดพุทโธบัได้หยุดบัได้มาสอนเจ้าของโอ้ธรรมดาเขาเป็นอย่างนั้นแบบนี้สอนให้เรารู้ว่าธรรมดาเขาเป็นอย่างนั้นเพื่อจะได้วางเลยถ้าเรานึกพุทโธพุทโธได้วางกายได้เลยใจเป็นเทวดาดึงเข้ามาไดิมาจากไหนที่เราคิดประทังทุกนรกเนื่องจากนรกมาเป็นเป็ดมาเป็นเป็ดมาเป็นสัตว์มาเป็นคนก็ว่าจะประปวดบ้านี้เราจะไม่เป็นคนได้ไปไหนนึกพุทโธพุทโธดงฝุกพันมาใจเป็นเทวดาได้ ทำอะไรสำเร็จรู้ล่วงไต่ก็ไปอยู่สวรรค์หลายล้านปีแต่หมดบุญมาเกิดเป็นคนอีกทําบาปตกนรกก็ได้ไบาดที่หัดบาปนี้ไปแค่นี้แค่นี้ก็ยังดีต่อไปได้พูทโทพูโทโธแล้วหัดหยุดแบบนู้หยุดคิดให้คิดบ้างเอาหยุดได้ใจสะอาดอย่าว่าสมาธิอย่าวนันวนี่ว่าใครรักษาได้เหมือนกันหมดเขาเปรียบเทียบเหมือนกขาสร้างอาคารให้ร่วมกันก็นกนมาเขาแล้วมันได้เสร็จได้งั้นหลาย อันนี้ใจรวมว่าสายรวมปู่มันว่าใจรวมว่าใจชั่งหกไปเดียวกันว่าใจบริสุทธิ์พุทธรเราเปลียบเทียบเหมือนสองคําบริสุทธิ์พุทธองว่าใจสะอาดเกลียดตลูกหยุดเหนือดตะลูกนั่นเราจริงๆพอหยุดได้พุทธอยู่ตรงนี้เราคิดทุกข์ก็ทุกข์คิดดีก็ดีไม่คิดหมดเรื่องเหมือนเราวางของอยู่นี่ไปหาอยู่ประเทศนอกมันก็ไปเห็นอันนี้ใจเราคิดอยู่แถวนี้แล้ว ย่อไปย่อมาหมูนูเราคิดไปใจประปวนกระทุกนึกพุทโธพุทธเราดูหมดเลยถ้ายึดไม่คิดพุทธโธเราอยู่ตรงนี้แหละเพื่นพุทธโธเลยเราอยู่ตรงนี้โอ้เราคิดไปทังทุกข์กระทุกคิดไปทั้งเก่ดจไม่คิดหมดเรื่องอันนี้เราให้ทําเป็นฐานว่าสมบัตใจสะอาดผ่องสัสเกรียบเทียบเหมือนร่างกายสมบัตภายนอกบมู่นู้อาัยน้าสบู่พัดเจ ต, ตัวแต่บอได้เอาความสะอาดภายนอกใจสะอาดเป็นยังไหงคนมารู้ได้ ก็ยุดไม่คิดเดือตลูไม่ใช่หลับได้อันนั้นหลใจสะอาดเดือตรู้เดียวหน่อธรรมดาเราว่าเราก็ได้เราหมาอยู่เหม่มาจิตพวกเรายังเดีมาอยู่ในคนเหอไปอยู่ในมดในยุงก็ได้ไปเป็นเป็ดเป็นสัตว์ก็ได้เพราะนั้นหัดรักษาอย่าว่าไปนิพพานม่คือไม่เกิดบทเรื่องถ้าตายไปตายไปเกิดเด้ไปสวรรค์ไปรูปปั้มไปเป็นคนเป็นสัตว์เป็นเป็ดนรกเรานโลกพระที่ไปยันไปอยู่นั้นจะทําไง ไม่เบืรักษาหร่ามาด้รักษาก่อนจะคิดต้องพิจารณาเสก่อนเราคิดไปทั้งนี้ดีไหมไม่ดีไม่คิดร่างกายต้องดูเสก่อนนอนก็ต้องดูให้นอนไฟก็บอนอนให้กินไฟก็ไม่เกินเนี่ยอันน er ี้ก่อนจะคิดต้องพิจารณาเสียหมดเวมันจะโกรดนึกพุดโถเลยถ้าหยุดบอได้ต่อไปมันเป็นน่ยมันจะโกรดไม่โกรดมันจะเครียดไม่เครียดมันจะคิดไม่คิดหยุดปั๊บได้ดีแล้เราไปต่อไปผรูเหมือนมือเราในจ้างให้จับไฟกับบอกได้ อันนี้ใจเหมือนกันเมื่อโดยทุกข์เราเป็นผู้คิดเราจ้างคิดปทัญทุกข์มันก็นไม่คิดคิดไปเรื่องการเนืองานก็หยุดเป็นถึงหยุดมาเป็นกับเอาพุโธพุโธเลยใจไปเทวดาได้นอนอยู่กับอยู่สวรรค์บอกวิธีให้ดูตรงนั้นรักษาไว้ได้ออกที่นี่ไปเกิดที่บุีแก้บดได้เลยตอนนี้แก้ไขรเจ้าของน่านลบ ก, ก็ไม่เอาแไปกับเอาสัตว์กับเอาคนกับเอา เอาอย่างน้อยไปสวรรค์นเนี่นึกพุทโธพุทโธพุทโธเพิดเพลินอันนี้รัดไวไม่เกิดเข้ามาคิดว่าว่างเย็นอรูณ ป, ประมถ้าหยุดไม่คิดใจเป็นพระก็ได้หรือทำอะไใจก็ได้ไม่เกิดหมดเรื่องหม ด, หมดลมหายใจไม่เกิดหมดเรื่องเอาข้ อ, อนิ้พานหีืว่าไปในพานไม่ใช่ได้เอาสมมุติในพานคือไม่เกิดอีกสมมติตายต้องไปเกิดพูดภาษาบรรดาใจไม่ได้ตายปัญหาไม่ให้เกิดไป เกิดที่ดีอย่างน่อยเป็นเทวดาลูกพระพรหมมาเกิดเป็นคนก็ทุกข์ลำบากเลยคนหนึ่งัดรักษาวันนี้เราไปไหนอย่าไปคิดว่าเราเป็นคนแม่ไปไหนนึกพุทโธพุทโธพุทโธเปิดเปิดเป็นสนนที่อยู่เหมืบางตั้งนโมนโมก็น้อมน้อมถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็น้อมยังไงมันจะโกรธก็นึกพุทโธมันจะเกลียดนึกพุทโธเป็นที่อยู่ของใจจะโกราสติผูกเสียถ้าหยุดเป็นแล้วต้องนึกพุทโธดิยุดปั๊บต้องการคิดอะไรคิดไปเลยแล้วยดปั๊บเลย คือตรงนั้นหยุดได้เท่าไหรยไ่ยิ่งดีมันเป็นยานเลยอย่างพระพุทธเจ้าท่านจะรู้หมดทุกถึงทุกอย่างถ้าเราหยุดเป็นไม่ใช่หลับด้์ตัวหลับมันมังโงอได้ตัวเราหลับตัวเราหลับใจไม่ได้หลับด้ใจมันไปผุดไปตกนรกผุดไปไม่ไปพบน้อยพบใหญ่ตื่นขึ้นมาเรียบเอาขึ้นมาบางคนเอาขึ้นมาไม่เป็นตื่นมาวอนว่นวายเลยเดินขึ้นมาตัวเราเสียเรียบไปเรียบเอาขึ้นมาแล้วพุทโธพุทโธพุทโธได้มันก็ดีนะเป็นเทวดาเองระวัง ตอนเรานอนในใจบ่ได้นอนนี่คุณบาอาจารย์เพิ่งจะภาวนาทั้งวันทั้งคืนกูก็จะไปเกิดอีกภาวนาจิตสงบก็หยุดไม่คิดภว่าจิตสงบกระไรใจเาเชิตรวมกรได้สายอาจรย์มันว่าเชิตรวมเนี่ยนี่เป็นแบบยกเสถิรสมาธิ ป, ปัญญ า, าหมดนูคนเป็นแยกเลยคนมีปัญญาจึงรักษาศิ่งได้พวกเราพวกเราัดรักษาคนมีปัญญารอบรู้หมดรู้หมดทุกสิ่งทุกอย่างรู้ทั้งนี้ทั้งไม่ในเมื่อก่อนลองรอบรู้ อันนี้เราไม่รู้ดิบาเรืต้อ ง, ต, องต้องการความสงบคิดไปแล้วโกรธขึ้นมาก็ไม่รู้อันนี้เรารู้แล้วโกรธมันไม่ดีบาไม่โกรธเครียดมันไม่ดีก็ไม่เครียดมันจะเครียดว่าจะัปวดเราเมื่อยหิวก็ไม่คิดหยดนิ่งเลเฉยๆต่ไปตัวไปตัวโยดุลโยดยศนี้แต่ความรู้ความสะาดไอ้พูดภาษาบานเราต่อไปมันเป็นยานมันจะรู้บมดม่แต่ครูบาอาจารย์หลวงพู่มั่นท่านจะรู้หัวใจคนอย่างนั้นอย่างนี้เลยตัวนี้เรลิกครับเลยตัวหลับน่ะมันโง่ ตัวเบิดรักษาบอกวิธีให้เตรียมตัวไว้ตอนนี้แก้ไขโยของได้ตายไปเกิดจะแก้บ่ได้ดิไปอยู่นรกไปโยโลกพระเระจ้าปัญไปเป็นเป็ดเป็นสัตว์เป็นคนก็นนลำบากไปไหนไปนี้ใกล้ไขโยของไม่เอาคนกับว่เอาอย่างน้อยเลือกเอาเลือกใจสวรรค์นเนี่ยใจเทวดากันนะักนะุญพระพธองค่อยๆข้อสําคัญให้เวน้นโทษเสียวหา้าขอ้อมันจะไปฆ่าสัตว์รักษาปี น, นการไปโงกไปกินเหล้าเว้นเว้นเนี่ยจะก่อน อันนั้นเป็นมนุษย์อุดมสมบูรณ์วันนี้เราอย่าไปคิดว่าเป็นคนไปไหนนะึกผู้ตัวผู้ตเปิดเพินต่างคนนา่าต่างคนต่างไปได้อักษาบอกวิธีให้อย่าไปลืมเลยไม่เหมือนอันนี้มันลืมยังได้ไปฟังถ้าไม่ลืมไม่ต้องฟังแหละจะตรงนั้นเหมือนเรารักษาร่างกายเป็นบมดหัดรักษาหรือเปรักษาจใจเป็นบุญด้วยนอนอยู่บ้านก็ได้บุญนอนไปนกปึกผู้ตัวผู้ ต, ตเพื่อนมันหายเจ็บหมาปวด มันไม่คิดว่าตำรวดตื่นขึ้นมาเอาเองตอนหลับมันเสียท่าได้จะาไปนอนหลับเลยกินก็กินเป็นหลับวันไหนสารวจรวงอยู่บางโนร่างกายต้องหายใจให้มันอยู่ตลอดเวลาไม่เห็นขี้เกียจนะรใจมันขี้เกียจรักษาไม่ได้บายใจว่าเราก็ได้ร่างกายมาเยืมเขาอยู่ได้กวนโลกกวนทุกคนกินเขาจะได้ไหนวันไหนจะได้เลยหมดบุญกันเหรได้ใครเอาไปด้วยอมาก็มาเรามาใจใจได้มาใสเขาอยู่ดูกัน บาลีหัดรักษาเรียนรักษาเตรียมตัวไวเลยว่าพื่อเผื่อหัดไปหัดไปเรื่อยๆนอนอยู่น้กพุทโธพุทโธเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะไปคิดว่าใจปวดป่วยจะไปคิดว่ามีตัวมีตัวนั่นนึกพุทโธพุทโธพุทโธต่อเนื่องได้แค่นี้ก็ยังดีได้เป็นข่าถ้าหยุดได้เป็นข้างเป็นข่าวหงปู่ฟังก็ยังดีได้สําหรับครูบาอาจารย์ท่านแก่งห้รักษาทั้งวันทั้งคืนได้กัวจะไปเกิด กินก็พออยู่ได้นอนก็พอให้ตายเพื่อนให้สหบายามว่าจิตสงบก็บกบรู้หยุดเดือแต่รู้ไม่ทุกข์ไปอย่างบอกวิธีให้ไปรักษาเองได้รักษาใจให้เป็นบุญคือความสุขไว้ใจว่าเราก็ได้ร่างกายเรารักษาเป็นเกิดมาเกิดมามืนนูรักษาตั้งกายกระโบเป็นเฮียน e หมดพ่อแม่สอนให้หมดพูดก็ไม่เป็นกินก็ไม่เป็นยิ่งรักษายิ่งทุกข์ยิ่งย่ากเทานั้นพระธรรมแสดงให้ดูคือความแก่ความเก็บ ค, ความตาย เาปลูกฝันว่าเรามาเกิดเป็นคนตกนรกสิบเดือนนี่เขาไปอยู่ในท้องแม่ปุ้นนู้ผูาา้ปาชญเข้าไปเจ็ใจบนุนนก้คิดปนนูเขาไปนั่งอยู่ท้อแม่ทุกข์ขนาดไหตกนรกสิบเดือนปุ้นให้ก่อนจะตายก็ทุกข์อีกนวันนี้ก่อนจะตายเราุ้นโตุ้นโตุ้นโเปิดเพลินหมดลมหายใจก็ไปอยู่สวรรค์เลยหลวงอแนะ น, นถ้าไม่เกิดยิ่งดีว่า้หัดหัดรักษาใจว่าขับใจก็ได้ไปถามผู้หญิงขับรถเป็นไหมเออ อันนี้ขับใจบังขับรถเหมือนผู้หญิงก็เป็นให้หยุดก็หยุดให้เร็วก็เร็วเรี่ยวไส้เรียวคว้วาก็ได้ใจก็ เ, เหมือนกันเนี่ยขับเป็นเรื่องทุกเรื่องยากไม่เอาอเพอให้หยุดกหยุดปั๊บเลยตัวปัญญาหยุดปับ๊บนุม่มขับรถใส่เบรกปั๊บเลยตัว น, นั้นมันขับเป็นอันนี้ขับใจของบังคับใจได้ บ, บังคับก่อนจะคิดทั้งพิจนารณานเสีย ก, ก่อนเราคิดทางไปดีไหมเรา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 เอาประโยชน์จากมันแม่ประโยชนบันเอาไปทำร่างกายมาทำงานเอาเงินมารักษามันอีกบัตนี้มาเอาร่างกายมารักษาใจได้บัตรอาจจะได้คุณได้บุญได้กำไรได้ถ้าขาดทุนเป็นไงอย่างน้อยเป็นมนุษย์อุดมสมบูรณ์ก็ให้เว้นโทษเสียห้าข้อมันจะไปข่าสารรักษาเปิดรายการมไี่ยงโคกไม่ไปเพราะมันไม่ดีแลาวอดได้ก็เป็นมนุษย์อีกก็มาทุกข์มายากอีกแล้วบัตนี้บานุ่งเว้นโทษหมานึกพุทโธพุทโธพุทโธ เหมือนพวกเราเนี่ยมโนมาทำงานอยู่ห้องแอร์ได้เงินหลายผู้เขาเป็นใหญ่เขามีความรู้ไหลได้หลายบ่เนาะอันนี้ก็มยกับงานบุญถ้าเราหยุดเนิ่งบุญเต็มเลยเบุญมันเต็มเหมือนทางโลกเขาไปงานทํางานเป็นเศรษฐีก็ไม่บนะเขาก็ทํางานเอาในโลกเนี่ยเขามีความรู้เขาก็ได้เงินหลายอันนี้คนมีปัญญามากก็ได้บุญมากพูดภาษาบ้านเราเงินนี่ต้องออกจากบ้านมาทํางานบ่เนาะบุญในรักษณะนอนอยู่ก็ได้บุญ ยังยังเปลับนอนนุกุโฑกุโฑกุโฑกบนบนขึ้นมาถ้าเราหยุดนิ่งเหรือตะลูล่ร่างพระเทศพอทําทใจเป็นกลางพ้นทุกข์ก็ถูกความท่านเป็นกลางไม่อยู่ที่ไหนเหมือนร่างกายเข้าอยู่กลางห้องแอร์เย็นสบายเลยแล้วเข้าเป็นร่างกายยิ่งรักษายิ่งทุกเยิ่งยากข็ทุกวันดิไม่เหมือนใจดิใจรักษาเราเท่าไรสุขหมดลมหายใจอย่างน้อยก็ไปสวรรค์เนีนุกุโฑกุโฑโฑเป็นเทวดาเปิดเพลินถ้าเราหยุดได้เลยไม่เกิดหมดเรื่อง ยุดไม่ให้ทําเป็นตามแตละการให้ทํำพวงอันนั้นในตัวหนังสือไม่ใช่ทําได้เป็นปตำราเลยตรง น, น, น cera, ั้นอันนี้เกนอันนี้ไม่อันนี้ไม่อันนี้ไม่อันที่ว่าสอนบอกนี่ไม่ใช่ให้ทําได้อันนี้หมาบอกที่ให้ญาติโยมไปรักษาใจให้เป็นบุญได้บอกไม่ได้ไม่ได้ให้เลยบอกวิธีรักษาใจให้เป็นบุญต้องรักษาเองได้เหมือนเรากินข้าวบนโตกินเองอย่างคนอื่นกินไม่ได้นอนกัเหมือนกัน อันนี้คืเหมือนพระสงฆ์นี่ก็เป็นจะบอกวิธีให้ไปรักษา ใ, ใจไม่ใช่ทําให้ไม่ใช่ให้ทําได้บอกวิธีให้ไปรักษาเองพระพุทธเจ้าให้เสื่อกรรมคือการกระทําทําอะไรได้อย่า น, นั้นไม่ต้องปรารถนาดีเร่องขอนั้นพระพุทธเจ้าไม่ต้องเมตต์อนนีนมตตาเจ้าของมันจะไปข้าสารัรว์รักษาปีในกรรมไปโหกไปกินเหล้าเราก็เป็นมนุษย์เองวัาให้มันนักพุทธพุทธเมตตาเราเ่ะอ่าเราดีขึ้นเอ้ยใจเป็นเทวดา ถ้าเมตตามากยุดไม่คิดบุญตมิมอันนั้นเมตตาตนเมตตาผู้อื่นแล้วตรง น, นั้นเนี่ยไม่ได้เบียดเบียนผู้อื่นเหรอง น, นั้นไม่ใช่ให้อ้วอนให้ผู้นั้นช่วยผู้นี้ช่วยไม่ใช่ได้พระพุทธเจ้ามาช่วยไม่เป็นที่ระลึกเสืสอๆพระพุทธเจ้าพระธรรมกระเบือนกันมันจะโกรธนึกพุทโธมันจะเกลียดนึกพุทโธย่อลงมาที่แรกว่าพุทโธธัมโอสังโฆสะกดลงมากับพุทธพระพุทธเจ้าตัดอานาั น, น, นตัดพระรูปพระธรรมปฏิบัติ มานึกพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธพุธโทโธเข้าไปต่อไปนึกพุโทโธมาได้หาวิธียุดไม่คิดไม่นึกเลยะจะคิดว่าว่างว่ายันความเลยอนะไรอันนั้นว่ารูปพระรมอยู่ตอ น, นั้นมานี้ยุดไม่คิดถ้าที่จะได้ให้ทําเป็นฐานทนาการให้ทักบวงให้เดี๋ยวนี้ก็สุขเดี๋ยวนี้แหละสุขคนด้วยกันอ่าสุขเดี๋ยวนี้เรียกทะลุพูดภาษาบาอันนั้นเราทํามนาจัยธรรมด า, รรมาเราว่าใจสะอาดผงใสก็ได้เราเปรียบเทียบอยู่ตอ น, นั้นเบื่องมือเราสะอาดเป็นไง จับไฟก็ะเจ็บจับเก่งก็เบีดกระแบงแข็งก็เย็นอันนี้เราเราโกรธเราเครียดขึ้นมาเดี๋ยนก็ทุกเดือดอ่ะหัวเงาเผลอนว่าใจมาปวดก็ทุกแบบวันนึกพุทโธพุทโธเลือกใจใจไม่ใช่เป็นเทวดาใจรูป้ประพรมคิดประว่างว่าเย็นใจเป็นพะระใ จ, ะใจไม่ได้สุดจะยึดเดือดตะลุกใครรักษาได้เหมือนกันหมดอไม่เห็นนี่ใครจะไปเห็นใจยึดเดือดตะรู้ยึดเราดูดบ่แม่เสื่อเราคิดว่าใจมาปวดมาเมื่อหิวมาทดลองมาดูมันก็ว่าใจมาปวดลองดู นึกพุทโธพุทโธลองดูบ้านี่นึกพุทโธพทธได้ ย, ยุดลองดูหลงปู่พันธ์เรารลเลือกใจนี่นั่งลกกับเอาเป็ดกับเอาสัตว์กับเอาคนกับเอาเทวดาก็ไปเอารูปพระพรมกับ อ, อย่างน้อยเป็นเทวดาอย่างดีต่อไปเลื่อนมาเป็นอรูปพระรมคิดว่าวางไว้เย็นถ้าเราหยุดได้มันดีแหะแต่มันยากก็ไม่ใช่ของงาอ่ายยึดยึดเป็นตอนนั้นยังไม่เป็นได้แค่นี้ก็ยงังดีได้โตด้วยก็ทาไปทําไ ป, ไปมันรวมเถอะ ตอนนี้ไม่ได้ตอนจะตายจนมันเจบ็บไข้ได้ป่วยหมดนึปวดตัปวดตับางคนเขาก็หายเจ็บไห้เพื่อเองแต่บางคนึกได้ถ้าคนมีบุญมากยุดในคิดมันไปรวมอยู่ตอนนั้นรวมรวมตอนก่อนจะตายได้หมดลมหายใจไม่เกิดอีกเขสมมติเิ็นพานย่าว่าไปบ้านเป็นิพันเป็นบ้านเป็นเมืองได้คือไม่เกิดหมดเรื่องหมดไม่ต้องรักษาต่อไปไม่ร้องสาวเดีย๋ยวนี้ต้องรักษาดิบางคนร่างกายเราต้องหายใจให้มันต้องกินต้องนั่งต้องนอน จะให้เขาจักประมาณสองนั้นใจมันรักษาว่าใจเราก็ได้ว่าตนก็ได้สองนั้นเขาว่าปล่อยวางเขาเปียนเหมือนวางของวางแต่ใจใจเรลือต่รู้พูดภาษาบรรดาว่าใจสะอาดเราหักมาเองมาเกิดไปก็จะไปเองไอ้จะโชคดีมาเป็นคนถ้าเป็นมัดเป็นยองทําให้เป็นเป็ดเป็นผีบ้างนี้มาเป็นคนในสร้างบุญก็ได้ มารักษาใจให้เป็นมนุษย์เป็นเทวดารูกปเปพรามไม่เกิดได้สองนั้นไม่ตัวสอนั้นไปทางรลกมัง่ายดีบนโไปเกล้าไปข้าซ า, าตเทเวตตโวเดิไปตกนรกมันง่อยตองนั้นหนัดรักษาเรื่องโดยจากวิธีรักษ า, ากไปไหนนกพุทโธพุทโธเบื่อ่าไปกลัวสองนั้นข้อสำคัญมันจะไปขาซัตแล้วทั้งปีการาไปโหไปเกล้า มันไม่เนีอดเอาก็จะเป็นมนุษย์อุดมสมบูรณ์แค่นี้ก็ยังดีได้ฐานตัวนี้ส่วนทางภายนอกไม่ต้องว่าหรอกถ้ารักษาตัวนี้ได้ก็เป็นมนุษย์อุดมสมบูรณ์เว้นโทษห้าห้าเป็นก้อนวันนี้อยากเป็นเทวรานผู้ต้อผู้ตผู้ตขึ้นมาเป็นเพิดเผลินปัจจุบันก็เพิดเพลินวันนี้ไม่อยากเกิดหัดหยุดหยุดคิดเหมือนทานความคิดหยุดไม่คิดเหลือแต่รู้ไม่ใช่รับได้ นี่แต่ความรู้ความดาาพระพุทธเจ้ารักษาได้ล่ะปฏิบัติมายอดตอนนั้นเราเกิดมาเป็นคนพ่อบุญเลยเอาเคยไปใจนี้ไ่ได้ใส่มันเกิดตส่ก็ดใส่เราเคยไปตกนรกมาผแรงได้มาเป็นเปรตมาเป็นสัตว์เพื่อจะได้มาเป็นคนไม่ใช่ของง่ายมาเป็นคนร่างกายเป็นคนมันจะหมดบุญใจมันจะหมดมันจะหมดกัมันจะไปฆ่าสัตว์ซับปิดในการไปหกไปกินเหล้าไม่ไปอดเอาก็าจะเป็นมนุษย์อุดมสมบูรณ์หมด วันนี้มหัศอดอดทานความคิดความทุกข์ความยากไม่เอาเนืพุตโตพุตโตพุโตเข้ามาเป็นเทวดาเลยหรือคิดว่าว่างวายนาลูก ป, ประพรมก็ยังดีจากตรงนั้นถ้าหยุดไม่คิดไม่เกิดเขอใจเป็นพระขอมส ม, มุดเสเสรยใครรักษาได้เหมือนกันเหมือนเงินบอกลูกขาเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีก็มีบางคนพวกเราเนี่ยพวกเหลือใสเหลือสอยคนยากจนก็มีเลยเงินเป็นของกลางๆด้วยใครทําได้ก็ทํางานอง อันนี้บุญเหมือนกันบุญนี่แย่งง่ายทําเป็นอยู่ในบ้านในเครื่องบนุเป็นภาพเป็นเจ้าอยู่ในป่าในรงคนอ่อนเอวยิ่งสว่ายนอนอยู่นุกพุทเป็นบุญต่อไปหยุดไม่คิดขึ้นไปนเนอาเข้ามาเอาใจเข้ามาหยุดใจไม่ให้อยู่หลวงปู่เทศป่ะทาใจเป็นกลางพ้นทุกข์ถูกความท่านอานประการปรถามจริงๆเข้าสมาธิเดียวกันน่ะสมมุติอยู่ตรงนั้นทําใจเป็นกลางไม่อยู่ที่ไหน เราอยู่ก็นไหมวาเขาไปเกิดจุดตอนนั้นหัดรักษาแล้วบอกวิธีไงเตรียมตัวไว้ให้ตายไปเกิดที่จะ ไ, ได้แก้บ่ได้บานนี้แก้ไขเจ้าของ น, อน่าลบกับเอาแปิดกับไม่เอาทรัพย์กับเอาคนกับเอาแหวนโทษมานักโทโทษโทโทษโทษเสริมคำเนี่ยง่ายกว่าหาเงินเสมอจุตอนนั้นว่า น, นี้หาวิธียุดเลยความเลยวิตย์บว่จาจุดตอนนั้นเตรียมตัวไวบ้บมดตอนนี้มันยังเปียโนเปียนี้ เคยสอนค น, นบงนังโนเขาก็เป็นโรคแมลงมันจะตายจริงจริงพอนั้อพุทโธพุทโธมันก็ไม่คิดว่าเจ็บว่าปว ด, ปวดเพื่อเพลินแค่นั้นก็ยังดีหมดลมหายใจไปอยู่สวรรค์หลายล้านปีนี่แต่หมดบนมาเกิดเป็นคนอีกทําบาปตกนรกกร็เลยมาเป็นคนต้องนั่นบงบังโนให้ระวังบานนี้หัดรักษาใจเป็นบุนนอนอยู่นื้พุทโธพุทโธเพื่เพลินเนี่ยนะหลับไปตื่นขึ้นเอาเอกเลยต้องนั้นเพื่อเพลินนี่ไปไหนไม่เป็นไม่ไพ่ไปไปตื่นตต้องนั่น ว่าบางคนเขานื้อปูตงปูตไ ป, ไปไม่หม่เอานุ่ไปหมากระเพราได้ใจเป็นเทวดารี่มันมันถึงกันได้ไม่ใช่คงง่ายเลยว่าเราจะนอนอยู่ในบ้านก็ตกนรกไปทั้งทุกทั้งยากบมรู้ว่าจะมันมันนรกหรือจะไปเอาเด้อก่อนจะคิดต้องพิจารณาเสียก่อนเราคิดไปทั้งนี้ดีไหมอ่าเจ้าก่อนให้พิจารณาเสียก่อนเรายังโบลูต้องพิจารณาแล้วโกรธดีไหมเครียดดีไห ม, ค, ดดไหมคิดว่าใจประปวดดีไหมไม่ดีกันไ่คิด การงานเกิดมาการเขาไม่ได้สุขเลยทุกนี่เกิดมาต้องทำงานทำงานเอาเงินหลวงปูกพันธ์เราอบทำงานทำงานเป็นก็ได้เงินหลายงานเขาไม่ได้สุขเลยทุกเลยร่างกายมันกูแล้วว่ามันเจ็บมันปวดดิเราคิดไว้เป็นดิวันนี้เราคิดเป็นอุศนเจ้าของท่านนึกพุทโธธรรมดาเขาเป็นอย่างนั้นไอพิจารณาแล้วมันมัอยู่อีกมาอดเอาบไปน่ะนึกพุทโธเขา่าอะไรพิจารณามันก็ยังมัอยู่มันเจ็บมันปวดมันเมื่อยมันหิวมานฝึกกำลังใจสู้ซะก่อน เห น, นักมวยนักกีฬาเขาต้องบอกกำลังกายไปสะกดเอ้ยยังได้กำลังกายมาอร น, นี้ออกกำลังกายกำลังใจสู้ทุกได้ร่างกายเนี่กวนโล ก, กวนทุกข์กวนขี้แล้เอาไปมาบนนู้นเดินกับอะไร ย, ยืนกับอะไรนั่งกับอะไราหายใจเบอๆกรู้คนจะ้ายช่วยอะไรก็ทิ้งนะก็รู้ใครเอาไปด้วยตายแล้วให้ใครก็เอาวันนี้หัดหัดฝึกกำลังใจเรานึกพุถโธพุ โ, โมันวางกายได้ดพเพิดเพลินใจเป็นเทวดามาอดเอาไป ฝึกกำลังใจสู้ทุกฝึกเบื้งน้มเป็นโรคมะเร็งมันเจ็บมันปวดก็โดดโดดเต้นเราไหวโดูความเจ็บความปวดก็ทุกข์ไปไหมอดเอาสู้ซะก่อนฝึกกำลังใจเราเลี้ยงหลบมาได้แต่เราเนื้อพุทโธเราหลบได้เหมือนร่างกายลบแดดลบฝนได้เลยเอาอดเอาฝึกกำลังใจสู้ทุกอ่อสู้ไปสู้มาอยู่นั่นถ้าเราบ่สู้มันมันเจ็บมันปวดไหวกว่ความเจ็บความปวดก็มื่อทุกข์ตายก็ไปก่อนที่ทุกข์ได้ไปไม่แล้วมาดูตรงนั้น ว่าฝึกกำลังใจก็ได้ถ้าเรานึกพุทโธได้มันวางกายได้วอวางกายได้ต่อไปพุทโธวางพุทโธยึดไม่คิดหมดเรื่องเขาเปรียบเทียบเหมือนมือวางโน่นวางนี่ตรง น, นั้นใจวางไม่วางไม่คิดไม่คิดรเรเหลือแต่ลูกเขาเปรียบเทียบใจเราคิดขึ้นมาเองบัตรการคิดคือการเกิดอก่อนจะคิดต้องพิจ า, ารณาเสียกนเราคิดไปทางนี้ดีไหมร่างกายเราต้องดูสซลโกน แต่นอนก็ต้องดูให้นอนไฟก็บว่าเอา้ากินไฟกันไม่กินใจก็เหมือนกันแล้รู้จักโอ้สุขทุกข์เราเป็นผู้คิดจ้างคิดไปทั้งทุกข์มันคิดว่านี่บอกวิธีให้เราไปเสื้อฝรั่งฝรั่งโมเมใจมันมัมนเรื่องปหาสร้างจังมันจริงไปรักษาไม่รักษาใจบมันไม่รู้จักเมันเราคนเราอรักษาว่าใจว่าเราก็สมมติเสรฉยๆมาอยู่ตรง น, นี้มันเป็นนามธรรมไม่มีตัวตน ไปอยู่ในคนก็ได้ไปอยู่ในนรกก็ได้ไปเป็นเป็ดผมนอเป็นเป็ดเป็ดผีมีจะกินอยากนั่งอยากนอนมันจะกินได้นั่งในนอนนี่เป็ดผีเป็นสัตว์เดียสารก็มากมายในร่างกายเชื้อโลกกินเรามันก็ว่าของมันน่ยตรงนั้นอันนี้พูดภาษาบานเราก้อนโลกก้อนทุกก้อนที้ร่างกายวันนี้เราไปไหนจะไปคิดหรือกันมันส่งคืนให้มันไอ้คือของมันเจ้า มันเป็นธรรมแบบนี้เราใจอยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธเปิดเผยนึกค่อยๆก็ได้นึกแรงๆก็ได้ไปไหนเมียนมีภัยได้ตายก็ไปอยู่สวรรค์เพื่อไม่คิดว่าเจ็บปวดเมื่อยหิวนะั่นเปิดเผนผูกมันไว้ตรงนี้เหมือนของเราผู ก, สผกเสือ้อผูกว่าภูกใบแล้วหัดทํางานแบบ น, นี้หัดเมื่อนึกได้พุโทโธพุโทโธหัดหยุดแบบนูหัดหยุดคิดแบบนู้ทำงานเมื่อเขาหัดทํางานถ้าเราหยุดได้ก็ได้บุญเน่ะ คิดไปทั้งที่ใดตอนเราหยุดได้บุญเต็มใจเหมือนเดิเหมือนทางโลกวันหนึ่งเงินเต็มกระเป๋า บ, บอกเราบางคนทุกวันอยากได้เงินไว้ไวซื้อรตเตอรี่มันก็ไม่ได้อนกะเพราะพระพุทธเจ้าสอนให้ทําเอาเกิดมาในโลกนี้อยากได้อะไรทํเอาไม่ใช่อ้อนวานบ ว, ว, ว, วงสวงแม้ร่างกายก็กิกนเองนอนเองอาบน้าเองเนี่ยใครช่วยใครบวชใดต้องกินเองนอนเองจากตรง น, นั้นอันนี้ก็เหมือนกัน ให้เมตตาให้พระพุทธเจ้าก็เมตตาให้พวกเราเข้าในพานอย่าไปเมตตาหรี่ไม่เมตตาหรีเลยแต่ให้ครูบาอาจารย์ช่วยกระเช้าไม่ไดท่านเป็นบอกวิธีให้เป็นที่ระลึกเสวยๆอย่างพระพุทธประธรรมกับเบิองกันมันจะโกรดนึกพุทโธมันจะแกล็ดนึกพุทโธอยู่ตอนนั้นย่อลงมาต่อไปเพื่อพุทโธจริงๆหยุดได้พุทธะพุทโธเราอยู่ตรงนี้เราคิดทุกข์กับทุกข์คิดดีกับดีไม่คิดหมดเรื่อง อนวคตใจสะอาดแก่ธรรมดาเราบอกวิธีให้พระพุทธเจ้าทาทำรรมาได้คุณบาอาจารย์ทั้งกียนั่นนหะลวงปู่มัน่นทั้งเกียแบบนั้นนะ่ะหายใจดีรักษา ใ, ใจเรื่องตนั้นมีใจดวงเดียวมีธรรมเดียวเราคิดไปทั้งทุกข์กสอนธรรมบาปคิดไปทั้งดีกุสอ ธ, ธรรมบุญมาทําทั้งหลายไม่ใช่เราทุ่มคืนหมวดเหลือแต่ใจเหลือแต่รู้ไม่คิดอะไรหมดเรื่องนะหมดงมหายใจไม่เกิดหมดเรื่องไม่ทุกข์ไม่อยากจะว่าไปในี่พานี่ เขาคือสมมุติคือไม่เกิดสมมุติวันนี้พานปัญหาเรื่องไปเกิดหรือเขาตายไปสวรรค์หดโน้ตโน้ไปเป็นคนเป็นสัตว์เป็นเปรตนาลกแบบตรงนั้นเบอร์หัดรักษาโอหัดเบอร์นูเราคิดไปทั้งทุกตะ ล, ลักนาลกทั้งอยากบ่อยากก็เป็นเปนเป็นผีเลยอยากให้ร่างกายดีกับบ่อยากให้โลกนี่ดีไม่ไมดีนเหรอวันเราสร้างมาแบบนันรับแบบนั้นวันนี้มันจะคิดไปทางโ น, น, น้กพรตผู้ต่อสะกว่า ไอนน้มีงานเหมือนพวกเรามีงานมีงานก็ได้เงินตามความรู้องจะวอมาด้วยผู้หญิงก็ทํางานได้บอกหนูทางานห้องแอร์ทะหน่ได้เงินหลายหรือได้เงินตามความความรู้ก่อนทำงานเอาเงินเอาเงินมารักษาร่างกายบอกวิธีให้วันนี้รักษาใจให้เป็นบุญแม้คือความสุขคือเราว่าเราก็ได้ว้าใจก็ได้ร่างกายนี้ไม่ยืมเขา อ, อยู่ดิพูดภาษามันเราใจออกแล้วให้ใครก็บอกเอาเลย คนไปเสริมแต่ร่างกายบุญนู้เสริมใจเหวนโทตหนนะ้าเอาปปปโปโตโปโตเสริมขึ้นมาต่อไปเสริมขึ้นมาก็สื่อมเลยถ้าธรรมะใจบริสุทธิ์ปุดความมนี้ทุกมียากเหมือนมันมต้องเสริมอ่ะแล้วแต่ใจเหลือแต่รู้วา่าวิธีนี่หักรักษาจะว่ารักษาใจก็ละรหัสรักษ า, าเปตี่ยนความคิดใหม่ด้วยทางวิธีไปรักษาเรื่องร น, นั้นเมือร่างกายเราบุญนู้นอนอยู่ก็ต้องใหายใจให้มันบอเห็นขี้เกียจ อันนี้ใจเราบวกลักษาะดิอย่าคิดอะไรก็ั่อะไรมันคิดไปเลยตอนนอนหลับหมือใจใบวได้นอนดยใจมันไปพบน้อยพบใหญ่บวบมันไปหาเกิดดิบางทีตื่นขึ้นมันตกอยู่เมืองนรกผู้กลับคืนยากดิเหมือนน้ำฝนมอได้เครื่องรองรับลงมาหาทะเลเป็นน้ำเกลมใจเราก็เหมือนกันใจไปตกนรกตื่นขึ้นมาปุ่นวาวอยู่นั่นแ่ะกลับมาบวชเป็นอันนี้เรารู้จักความธรรมได้กลับมาเอาเข้ามานักพุทธพระพุทธพระมา อยู่ตรงนั้นถ้าไรพุโทโธกด็ดีบางน้นมันเข้ามาด้วยในร่นางกายมันห่วงร่างกายมันก็ไว้เจ็บบวปวดบวมเมื่อยอายุบาดเนมบาดเน่อย่าไปคิดแบบ น, นั้นเราไม่รู้จักดีเรามาอยู่ไอ้สหัดรักษาธรรมดาเขาเป็นอย่างนั้นอ่ตรงนั้นบัดเ น, น้หัดรักษาใจกายข้าวหรือบอกวิธีอะไไม่ต้องซื้อต้องขอตงง้องอ้อนต้องวอนอยู่ตรงนั้นอย่าหาที่พึ่งทั้งนั้นทังนี้ดิเราไปกราบพระเห็นนึกพุโทโธธรทรมโสังโผพุทโธธรรมโสังโผ นกปฐโทนีปน่ปทปฐโทอะมองดูพระพุทธโลกเน้อฐานท่านท่านทุกข์สัญญาคมั้ยท่านไม่ทุกข์ไม่ยากท่านไม่คิดอะไรเราก็ทําได้เหมือนเราเราหยุดไม่คิด şey เราดูอันนั้นเราใจเราก็เป็นพระขึ้นมาไม่เล่าอย่างเราเพื่อหาวิธีเอาใจเราเข้ามาเลยอยา่าว่าวัดวาก็เหมือนกันไม่ใช่พระช่วยดิเราเป็นที่ระลึกของเราดิเป็นที่ระลึกที่อยู่เหมือนพวกเราในมีความรู้แล้วหยอกปิญญาเอกบไปทํางานมาทํางานไปได้เงินนด้ไปเที่ยวไปเล่นกย็ยากจนดิ ต้องทำงานเอาเงินเอาเงินมารักษาร่างกายดิใจมันบ่รักษาเพราะเราบ่รู้ด้ไปเชื่อผ้าหลังผ้าหลังมัมีใจร่างกายนี่มายืมเขาอยู่ดิพูดภาษากรรมฐานก้อนโรคก้อนทุกข์ก้อนกี้ด้เสื้อผรามันไปทํามาหากินดิมันว่าของเมาลมมันนี่มารักษาเราได้บ่รักษาเราก็หัดเว่นโทษมันจะไปฆ่าสัตว์รักษาปืดในการไปโกหกไปกินเหล้าไม่ไปเหม อันนี้มาหัดนึพุทโธพุทโธอย่าไปคิดว่ามีตัวมีตนอ่ะว่าชนะที่อยู่ของใจนี่บุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ใช่อ้อนวอ น, อ น, อนอเหมือนที่อยู่ของร่างกายบนนู้นสร้างอาคารเหมือนเขาเมีงกันก็ได้ยัยว่าอาคาลูกันมีห้องเอานู้นที่อยู่ของร่างกายตามกำลังเงินอันนี้ที่อยู่ของของใจว่าบุญบุญความสุขบุญมากสุขมากบุญมันทํา ถึงไม่เต็มก็ยังดีนะพุโทธโธพุทูถ้าเราหยุดนิ่งบุญเต็มนะทางโลกก็เป็นเศษฐีมหาเศรษฐีเงินแล่า น, นั้นหมดลมหายใจไม่เกิดอีกว่าอย่ว่าไปนิพพานเลยสมมุติไนิพพานคือไม่เกิดหมดเรื่องแล้วตอนนั้นส่วนมา ก, กว่าตายแล้วไปเกิดเราตายแล้วไปเกิดอยู่เนดะินไปอยู่อรรถู ป, ปรพราะมไปเป็นเทวดาเป็นคนก็ไม่เหมือนกันเพราะบุญเพราะบาปไปเป็นสัตว์ยิ่งรําบาปไปโนะ้ ตัวน้อยๆก็มีแล้วร่างกายเรามีเป็นสร้างเป็นอะไรยิ่งลําบากเป็นเพศเดี๋ยวอย ก, กินจยากนั่งนอนไม่กินไหนนั่งไหนอนอนมีใจใจนรกก็ไปอยู่ในโลกพระที่ประจันอาการมีใจใจได้มันทุกข์อยู่นั่นบางที่หลวงปู่เลียงไม่ได้ขึ้นมาหมดบุญดีไม่ใช่ของเรพวกเราเคยไปตกนรกมาโปรแลงแล้วมาเป็นคนเพราะบุญวันนี้มันใจมันจะหมดบุญทุกข์ร่างกายเป็นคนวันนี้อยให้มันหมด มันจะหมดขึ้นมันจะไปข้าวสารักทัพปีในการไปโกหกไปกินเหล้าแล้วก็ไม่ไปไม่ใช่ชินห้าให้ไปโทษห้าดิเมื่อเราเว็นโทษใจปกติเย็นเป็นเป็นชินขึ้นมาล่ะเป็นชินขึ้นมาเป็นมนุษย์อุดมสมบูรณ์ขึ้นมาปว่ า, าเป็นหนทางสู่สวรรค์กันง่า ย, ายๆเนืพุโตพุโตพุโ ต, ตสองคำเนี่ยเหมือนเรา ง, งานเป็ น, นเข้านิพานรัดเลยเขาเอาเข้ามายุดไม่คิดไม่ใช่ไปเลยยุดไม่คิดอะไรหมดเนี่ย พอมาไม่อยู่ที่ไหนเราพุทธทําทำใจเป็นกลางพ้นทุกมไม่อยู่ที่ไหนมไม่อยู่ที่ไหนอยู่กลางๆทำใจเป็นกลางพ้นทุกอยูตรงนั้นหัดหยุดยดไม่คิดรรเรี้กจะลูกอันนั้นบอกนะเรีะเราพุทธได้พุทธูอันนั้นให้ทำเป็นทางทนาการให้ทั่งปว ง, มงไม่มีใครรับว่าอาหารใจก็ได้ อ, อ, อ, อาหารใจเรานอพุทธพุทธหยตดเอมอาหารหยุดไม่คิดไม่เอ็ ม, มเ็มทำ นัดเรื่องบุญเต็มบอกวิธีให้ไปรักษาต่างคนต่างรักษาเอามันลืมเนีย่ยไปลืมแม่อไปลืมเรื่องตรงนั้นหัดรักษาบัตบอกวิธีให้ก่อนจะคิดต้องพิจารณาเสียก่อนเดยเอาไวเร็วมันมั น, ม, น, ม, นมันเร็วได้มันจะโกรธดีไหมไม่ดีก็ไม่โกรธเป็นธรรมรงนั้นต้องพิจารณาเสียก่อนเรเว็วๆอันนี้ปล่อยมันไม่ทันเลยอันนี้โกรธเล ย, เ ค, ยเครียดเลยเพราะเราเคยปล่อยแบบนั้น เราไม่ดูแต่ไม่ระวังรกักษาด้วบวันนี้เราก่อนจะคิดตรงที่นั้นแล้วยังไม่เก่งเราจะคิดไปทางนี้ดีไหมจะคิดว่าใจมัน ป, ป, ปวดดีไหมไม่ดีก็อย่าไปคิดแไปคิดธรรมดาโอ้ธรรมดาเขาเป็นอย่างนั้นสอนเจ้าขอมแล้วก็มาหัดนุ๊กพุทูพธทูท่าอะไรพุๆๆทธพุทธก็ดีแต่อะไพุทโูรหัดหยุดหยุดได้เป็นขั้งเป็นคราวก็ดีไม่ใช่หลับได้หยุดคิดก็เหลือตะลูกตัวนั้นไม่ใช่หลับได้ตัวหลับไม่ง้อได้ตัวหลับไม่ง้อได้ใจ ใจหลับเเส่เเส่ใจใมันร่างร่างกายห ล, ล, ลับใจใจมันไม่ได้หลับมันไปหาเกิดอยู่มือทรงนั้นอัศสาวเรื่องบัตราะวทธีนั่นอย่าไปลืมต่างคนต่างมาต่างคนต่างไปไดิร่างกายมายืมเขาอยู่ได้เขาจะได้ในวันไหนหมดบุญกัเป็นปากเป็ดเจมูกเราเขาคืนดิมายืมเขาอยู่ได้ปัญหาเรื่องไปได้บนตรร่างกายเขาไม่ไสุขในทุกเราก็เห็นไปเผาศพบนนู่นมือทรงนั้นเสียงเงินเสียทงองเพราะ ของประจําโลกนี่เราก็มาแต่ใจเข้าไปอยู่ในท้องแม่ปุณโณอาศัยเลือดของพ่อแม่ผสมกันเป็นอาศัยอยู่ไปก็ไปไปแต่ใจหมไปไหนไปนรกไปเป็นเป็ด เ, เ, เป็นสัตว์เป็นเทวดาลูกพระพรหมถ้าไม่เกิดหมดเรื่องไม่ไปไหนอเอาใจไม่เกิดหมดเรื่องบานนี้ไม่คิดลองดูคางคนเอาทหารมถาถามปรุงแต่งอันเดียวแหละความคิดเราความคิดก็ได้ปรุงแต่งว่อมมาอารมณ์ก็ได้เราเปรียบเหมือนลมความคิดของเรา ก่อนจะคิดให้พิจารณาสัก่อนเราคิดไปทางนี้ดีไหมส่วนร่างกายต้องดูด้วยตาสักก่อนดูไม่เห็นลุมก็ตกหลุมไปเห็นอยู่แล้วก็ไม่ตกใจต้องพิจารณาสัก่อนเราคิดไปทางนี้ดีไหมไม่ดีก็ไม่คิ ด, ดท่านสอนนปัญญาเรายังไม่เก่งถ้าปัญญารอบรู้แล้วมันรู้หมดละมันไม่ไปแรอกไม่เรื่องทุกเรื่องยากมันรอบรู้เหมือนร่างกายเราเห็นโน่นเห็นนี่เราไม่ดีก็ไม่ไปอันนั้นเรต้องสอนพิจารณาสัก่อนอจะให้ไม่คิดเร็ว แล้วตอ น, นั้นมันไปอดพิจารณาเทวกก่อนอดไปบริดัดรักษาพิจารณาศรเจ้าของเจ้าก่อนเราคิดไปทั้งนี้ดีไหมไม่ดีก็ไม่คิดเรานึกพุทโธพุทโธดีไหมก็นึกลองดู บ, บัดดาดพูดบัดดานึกได้ก็นึกไปมันก็ดีไดหยุดได้ยังดีไดหยุดมาได้นึกพุทโธบาได้ก็ต้องพิจารณาศรเจ้าของหาวิธีอดสนั้นมันนึกไปได้มันคิดไปทั้งนั้ น, น, น, นคิดไปทําไมอ เรื่องกูแดงเมืงมื่จะคิดกูไม่คิดสู้กันแบบนั้นเนี่ยไม่ใช่กูง่ายเลยกําลังใจว่ากําลังใจก็ไว่าปัญญาก็ได้กําลังเราไหวฟ่อบนทางโลกเขาอาการกำลังกายบนนักมวยนักกีฬาใช่กําลังกายอันนี้กําลังใจเราจะหยดอะไรถ้าเราหยุดมันมีกําลังเต็มที่ถ้าห ย, ด ไ, ายดไปหาวิชื่อสู้เมื่จะคิดไม่คิดเมื่อโกรธไม่โกรธเอาไปาพวกกาลังว่าบุญก็ได้ว่ากําลังใจก็ได้ว่าฤทธิ์ ก, ก็ได้ ทําอะไรไม่ได้อย่างเหมันบุญกําลังใจคิดอะไรได้หนังใจดีจะต้อตงนั่นัดคนทําบาปไม่อยากได้มันกระไรอี้จะต้องนั่นไม่อยากทุกข์ก็ทุบพูดภาษาบุญเราว่ารักษาใจเป็นบุญก็ได้ว่าเล็กก็ได้ว่ากําลังใจก็ได้อย่าไปติดสมมุติเหมือนเขาสมมุติว่าจิตว่างจิตสงบจิตสมาธิเขาก็ว่าจะต้อตงนั่นพอธรรมะตาใจก็ได้พอสมมุติเปรียบเทียบมันไม่เห็นคือหยุดไม่คิดเรือทรูุ เผื่อเรานื้อพุทโธพุธุธเพลิดเพลินเป็นสติผูกไว้หลวงปู่เทสทันสอนเหมือนพวกเราเห็นตอนนู้นผูกเขาผูกสร้างผูกกลัวผูกไว้เอามาผูกแล้วหัดทํางานแม่เสืออยู่ในป่าก็มาขังไว้หัดทํางานดดวอนนี้หัดเจ้าของเอามาผูกเอาพุทโธพุทโธผูกไว้สกคนใจเป็นเทวดาวันนี้หัดหยุดคิดเนี่ยถ้ามันไม่หยุดไม่ได้ก็มานึกพุทโธอองสอนเองถ้าเราหยุดได้มันดีขึ้นอ่ะหยุดไม่คิด มันหยุดได้มันเป็นมันง่ายมันหัดไปหัดปไ ป, ไปใจนี่ปล่อยไม่ได้เลยปล่อยให้คิดประทันทุกไม่ได้มันให้ระวังรักษาอันนี้หลักวางย้อนผูกพันให้รักษาอยู่ตลอดเมื่อนร่างกายมันต้องหายใจให้มันอยู่ตลอดนอนอยู่ก็ต้องหายใจนั่งก็ต้องหายใจทํางานบันเห็นเคลียรเลยอันนี้มันเรักษาโยของอันนี้รักษาเราทําท่วมระวังก่อนจะคิดทำพิจารณาเสียก่อนไม่ดีก็ไม่คิดเราจะรักษาเรื่องแบบ บอกวิธีให้เลือกใจไม่เชื่อก็ลองดูคิดว่าเจ็บ่าปวดว่าเมื่อยว่หิวลองดูตอนนั้นมาน hey, ื้พุทโธพุทโธลองดูมาหยุดลองดูเลือกใจดวงบุพันธ์กันสอนคิดไปทั้งทุกข์ไปนรกเรานื้พุทโธพุทโธเราคิดเป็นคนว่าเจ็บว่ปวดว่าเมื่อยว่าหิวนะตอนนั้นมานื้พุทโธพุทโธก็ดีเราคิดว่าว่างวาเย็นลองดูหยุดไม่คิดลองดูเลือกใจเลือกเอาแล้วอาหารการกินก็ต้องเลือกเสื้อผ้าก็ต้องเลือกเป็น ตอนนั้นเลือกใจเลือกเราภา ษ, ษาบ้านเราทวนร่างกายเราทํามาแบบไหนรับแบบนั้นเราสร้างมาแบบไหนรับแบบนั้นเดีย๋ยวให้ดีไม่ดีดิเราก็เห็นมันแสดงให้ดูพระธรรมอันนั้นก้อนโลกก้อนทุกข์ก้อนเขี้ยวโน้ยกว่าความแก่ความเจ็บความตายเดี๋ยวตอนนั้นเขาเรียกคืนนี่อันนั้นตัวธรรมว่าหลวงปู่ฟันว่าจะปอยู่กับมัน อยู่กับคนพระพุทธเจ้าอย่างน้อยนึกพุธโธพุธโธไม่ใช่อ้อนวอนวงสวงไม่ถูกเลยเป็นที่ระลึกเป็นที่อยู่ของใจเมื่อน้อตั้งนามโอ้แต่น้อมนม้อมถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์น้อมยังไงมันจะโกรธนึกพุทโธมันจะเครียดนึกพุธทโอท้พุธโอเข้ามาอ่าโดยสานพระพุทธเจ้ากระตัดทะลุพระธรรมปฏิบัติกับพระสงฆ์โอเข้ามาเข้ามาแล้วหาวิธียุดไปแต่พุทโธพุทธะเก่งๆพุธโอหยุดปั๊บเบือทะูุกัน อันนั้นเราจริงๆรักษาเรื่อยๆรักษาเราเลยเว่ายังง่ายเลยรักษานอนอยู่กับรักษาไปไหนก็นรักษาหรอกตรงนั้นหัดรักษาไปเรื่อยมันดีหรอกนอนบารับกันนักพุทโธพุทโธใจเพลิดเพิพินใจเป็นเทวดาเลยมไม่ทุกข์ไม่ยากเลยตายเป็นเทวดาบอกเวลาก็บอกมีบอไม่แก่ไม่เท่าดิแต่หมดบุญมาเกิดเป็นคนเอกเดี๋ยวตรง น, นั้นถ้าไม่เกิดยิ่งดีแต่มันยากและไม่เกิด พูดภาษาง่ายๆแค่ได้เป็นเทวดาก็ยังดีไปสะสมบอกกรมตก่อนเป็นเทวดาก็ง่ายเราพวกเรานี่อรักษาเราเป็นคนกันเลยทำงานมีเงินเดือนหมต้องข้าวซัด เ, เรากระปุกินเราหกก็ไม่เอ า, เอาพุทธใจหลอกเลองแกไปเ อ, เอาเราเทา่าน่าแกเป็นมนุษย์อุดมสมบูรณ์นะะมนุษย์ก็มาทุกข์มายากเรา๋ยวโนมารักษาใจในึกพุทธพุทธเป็นเทวดาหอกเป็นเทวดาอยกยืนนย่างนั้น เม่ทุกไม่ทุกไม่ยากเลยอายุหลายล้านปีแต่ก่อนเขาก็โกรธหมดบุญมาเกิดเป็นคนอีกทําบาปตกนรกไปเลยไปเจอที่ไหนเหมือนอพวกเราเกิดมาเป็นคนยังบื่เสื้อบาปเสื้อบุญไปเสื้อฝรั่งเลยตอนนั้นเรามเมื่อบุญเมื่บาปไม่เหมือนกันคนเราก็ไม่เหมือนกันสัตว์ก็ไม่เหมือนกันเพราะบุญเพราะบาปถ้าไม่มีบุญบาปเสมอกันหมดเตอนนั้นเขาไม่รู้เรื่องนี้เหมือนตรนนั้นรักษา วันนี้รักษาต่อไปเราไม่สร้างอะไรไม่มีบุญไม่บาปหยุดไม่คิดไม่เกิดหมดเรื่องแล้ววันนี้บอกวิธีให้บอกวิธีรักษาใจนะเรียกว่าประพฤติรมให้เป็นให้รักษาอยู่ตลอดเลยถ้าเราไม่รักษาไม่ได้เลยเราคิดไปเองได้ถูกอย่างจะไปโทษใครร่างกายมันก็แปลว่ามันถูกมันเจ๊บมันปวดการงานก็เหมือนการเดินฟ้าอาการก็ไม่ได้ถุกเรื่อยๆเราคิดไม่เป็นนี่ถ้าเราคิดเป็นเนี่ยจะตรงนั้นท่านนึกพุทโธพุทโธบ่ต้องคิด พุทพุทโธเพิดเพลินไปไหนเวรไม่ใครได้บุญช่วยในเวลาถ้ามาเป็นคนมันตามอยู่ตลอดเชื่อโรกก็ตามเหมือนกรรมภายนอกปุโรห์เราเขคยไปฆ่าเขาเขามาฆ่าเราเอาไปกินเขามากินเราเป็นเป็นสัตว์ยิ่งลำบากปุตัวใหญ่กินตัวน้อยตัวน้อยกินตัวเล็กเชื่อโรกกินมาเอกคนกินมาเองปุโรห์เราทุกขนาดไหนเป็นสัตว์เราเป็นวัวเป็นควายปุโรห์พวกเราเนี่ยคืเชื่อโรคทำมากินนี่กรรมภายนอกปุโรห์ ก็น้อว่าน้าท่วมน้ําไหลกรรมเจ้าของเลยีย่ว่าไปเชือกฝรั่งว่านั่นว่าทำบันซ่าไม่ได้ไปอยู่ไหนมันตามอยู่ดิเกิดมาเป็นคนมันก็ตามอยู่ดิพวกเราในพื้นน่ะทำบาปพวกนรกมาปัดจากนรกมาเป็นเป็นตัดเป็นไปเป็นคนมือนนู้มันตามอยู่เลยเท่น้ําท่วมกับสินห้าน่นแหลฆ่ารักทรัพย์เท่านั้นที่เจ็บปวดก็เคยไปฆ่าเขา เกิดมาเป็นบ้ า, บ า, บาใบชี้กินเหล้านั่นแหะเมื่อตกนรกมามันพลังได้เกิดมาใช้กรรมใช้เวรนี่มันเป็นคนก็เลยจะว่าไงมันตามอยู่ตลอดบัดนี้อยากไปสวรรค์มัต้องทํานึ้พุทโธพุทโธเริ่มไปอยู่สวรรค์ง่ายๆก็สําคัญให้เวรโทษหน้าเสียบัดนี้จะไปสวรรค์เมือ น, นพวกเรานี่มีความรู้มาทั้งทํางานอยู่ห้องแอร์ได้เงินนะพวกยิงได้เงินเ ด, ดืเนดนนอนอยู่เพราะทำงานเป็นนี่ อันนี้รักษาใจเป็นนอนอยู่บ้านนุกพุทธพุทโธกลับไปบ้านเพื่อให้คิดไว้ใจไปปวดไม่เมื่อยไปเพื่อเพลินหลับไปเตือนขึ้ืนเอาอีกอะไรนะตาบนสวรรค์ตายมาขนาดนั้นก็ไปอยู่สวรรค์หเวลาเจ็บไข้ได้ปวดแล้วนุกพุธพุทโธพุทโธตัวนี้ยังเปลี่นนู่เปลี่ยนนี่เลยถ้าเรานุกพุทธให้เขาเรานุกเลยเขาหายหมดไม่เจ็บไม่ปวดเตายก็ไปอยู่สวรรค์นี่ไม่ใช่ของง่ายถ้าหยุดคิดไม่ใช่ของง่าย ไปไปเพอพี่อไ mujer, ม้ไม่กี่วันไม่กี่เดือนสวังขารนักพ oh, oh, uh, <co> ุทธพุทธมาก็ไม่เฮาหมดไม่เฮาได้เกิดใจเป็นเทวดาเลยมันกไปช่วยเห็นหมามันเห็นกูอู้ว่าเทวดามาเลยมันเปิดใจมันถึงกันได้ผูอถ้าเป็นสัตว์เป็นชัเรานี่ยเด้อผู้หญิงอยาให้มันเป็นนรลก็จะไปเอาแม่ก็จะไปเอาสัตว์กับไปเอาคนก็บบ่เอาหมดไปไหนนักพุทธพุทธพุทธเป็นเทวดาสกุลต่อไปหัดหยุดไม่คิดไม่เกิดยิงดีแต่มันยากเลย แต่เป็นระเบียงงาย่ายจะแบบเหมือนกับขับรถมันเป็นระเบียงง่ายอันนี้ขับใจให้ยหยุดกระหยุดเหมือนเราขับรถเนียบเสิร์ฟเรียบค ว, าว้ววาก็ได้เรียให้เรียให้นั่นก็ได้อันนี้ขับใจก็ง่ายเาตัวปัญญาตัวเดียวละให้ยหยุดกระหยุดให้คิดกระคิดเรื่องทุกเรื่องยากมันไม่คิดมันคิดเป็นประโยชน์ต่อไปมีแต่ความรู้อย่างพระพุทธเจ้าท่านจะรู้หมดที่นั่นเป็นอย่างนั้นที่นพระใจคนนั่นก็รู้แม่หลวงปู่มันนั่นก็จะรู้หระใจคนบ่มันลึกรับได้ตัวนี่ ไม่ใช่คนโง่อะไรตัวหยุดเนี่ยตัวไปมันเป็นยานตัวปัญญามันเป็นยานเทียมันจะรูปหมดตัวไปรักษาด้วยวันนี้บอกวิธีบอกวิธีรักษาใจบอกวิธีแกเอาภาษาบ้านเราให้เร่า ว, ว่าประพฤติธรรมต่อไปนี่เราจะรักษาใจให้เป็นบุญคือความสุขทางร่างกายเนี่ยต้องมาทํางานเอาเงินเอาเงินมารักษาร่างกายต้องทํางานเอาเงินเปลี่ยนจากเงินอีกไม่ต้องที่บานอันนี้ว่าบุญ บุญคือความสุขใจบนนบุญเว้นโทษห้ามานพุพุทธพุทธพุทธแค่นี้ก็เป็นบุญแล้วตอนนั้นวันนี้เอาวิธีหาวิธียุดถ้าหยุดได้บุญเต็มเลยหยุดไม่คิดบอกวิธีให้วันนี้บอกวิธีรักษาใจบอกวิธีง่ายๆทานเท่งเจ้าเคยเราเคยคุด ค, คดว่าเจ็บ่ปวดว่าเมื่อรักว่าสัง่งทานไว้ที่นี่หรอจะเอากลับไปจะไปบอกวิธีง่า เอาให้ทําเป็นทานมากกว่าเอาแต่ความถูกความสบายมีแต่ความรู้ความสะัดเป็นคนไม่ทุกข์ไม่ยากบอกวิธีให้ไม่ใช่องให้ถ้าไม่ให้ใ ห, ให้ไม่ได้อะไรคำบอกวิธีให้บนเดี๋ยว่าจะไปรับพรกับพระมันใช่ตอนนั้นพระพระพระจะไอ้มันนั้นอยู่ในใจทั้งหมดมันเข้าไปอยู่ในใจทั้งหมดเราทำเด็ก็เข้าไปอยู่ในใจเหมือนแม่มล็ดมะม่วงเหมือนแร่อะไรเนะี่ย มันหวานก็หวานอยู่นั้นมันเปรียปร้ยวก็เปรี้ยวอยู่นั้นนะ่ะมันออกผลอันนี้มันอยู่ในใจอย่าไปาที่ฐานอย่าแบนั้นอย่าได้าทาบุญไม่ได้อะไรไปอยากไม่ได้เลยทําไปแล้วมันอยู่ในใจทั้งหมดทําง่ายเลยได้ไงนะ่ายเพระเพื่อให้าอกผลนูเพื่อนนั่งอยู่ในร่มโพได้สํำแ็จมาโผล่เพื่อนก็นทานความคิดแลตอนนั้นนะ่ะเพิ่งกลัวตายนั่งไปบุญนู่นนั่งไปผลสุดท้ายว่าอาจารย์โยตุนหายใจว่านางทอเรนีมาเรียกเลยผมไม่ใช่เลย ใกล้จะทุกข์ท่ายมันชวนใจนั้นเลยกลัวตายท่านก็ว่าความตายอยู่ที่ไหนโอ้ความตายอยู่ที่ลมหายใจลมเข้าไปไปออกมากรไดออกไปมาโอ้ยกลัวมาทำไอยู่มมันก็เพียนเพียนแผ่นดินเรานั่งอยู่เลยมันบอเห็นกลัวใครจะขี้จะเนี้ยวันไม่ใช่พผ่นางทอเรนีท่านทํากําลังใจท่านฝึกกําลังใจโอ้ถามวิมันได้เห็นกลัวอะไรแผ่นดินมันเห็นกลัวอะไรแบบเราจะกลัวมาทําไมความตายลม ถามไปถามมาเขาว่าเขาเป็นลมไหมเขาไม่ได้ว่าเขาว่าเขาตายไหมเขาไม่ได้ว่าใครเป็นผู้ว่าพันสอบเข้ามาเลยใครเป็นผู้ว่าเลยโอ้มันอยู่ตรงนี้เราคิดขึ้นมาเองหยุดปับ๊บพดโท้อพันตัดสือแบบนั้นเขาปฏิจจาวเราทำหน้เหรอก็พันตัดสื่อพันที่ทสอนมาคือหยุดไม่คิดอะไรไม่เกิดหมดเรื่องพูดภาษาบ้านเราทีนี้ในตําราวัดก็ตามลมหายใจมันไม่ทูกข์ ว่านั่งทองมาเลีมมันจะมาเลยพญามารเป็นตัวเป็นคือมันนั่งนอย่างพวกเราม่เจ่มมันปวดหรพญามารมันจะเลิกเบอกนูมาหมดบอกนู้มันจะนปวดรพญามารไม่อยากเลิกเลยท่านไม่เลิกเลยวัดนั้ลตัมเขาเขาว่าเป็นเป็นขึ้นสร้างขึ้นมันไม่ถูกเลยบันนี้ตัมนาอีกวัดตัานาบอกว่าท่านถวายวิเวทวิมุติที่แห่งแห่งได้เจวัน ให้ไม่อธิบายเลยท่านเสวยวิธุดิท่านทําังไงไม่มีใครอธิบายบายันเป็นทําทรงไม่อธิบายไม่เป็นบันนะส่วนอันนี้ก็ดูตรงนั้นน่ยอัดพุทธเจ้าเนี่ยาเขาแต่งในสือเขาเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาเฉยๆท่านทําใจแต่นะทั้งหยุดไม่คิดไม่เกิดหมดเรื่องจึงสอนมาเพื่อภาษาบรรเลาว่าได้พานก็นไม่เกิดอีกหมดเรื่องปัญหามาเกิดเป็นไงเกิดนรกมาเป็นเป็ดเป็นสัตว์เป็นคนเป็นเทวดาอรูปภพม อารมณ์ขอมยังเลื่อนขึ้นไปไม่ไม่ได้ลงมาอีกเป็นไตเวลาหมดบุญมาเกิดเป็นคนอีกทำบาปตกนรกเราเรื่องตรงนั้นแบบนั้มาเกิดมาเป็นคนหมือนโน้เส้ยบุญเส้ย บ, บาปไม่มีน้อยศาสนาพุทธศาสนาอื่นมนเรฝรั่งก็ไม่บุญผมไมีบุญไม่บาปเหมืนแบบเร่อตรงนั้นรักษาบัดนี้บอกวิธีให้เทอบัดบไปบอกวิธีรักษาจะไปฟังเจ้าของเทว่าธามคือไม่ได้ฟัง ว่าพานทำคือดูใจไม่ใช่ดูให้ก่อนจะคิดตรงพิจยันสังเกตรักษาใจเราจะคิดไปทางนี้ดีไหมไม่ดีก็ไม่คิดเรานึกพุโทโธพุโทโธมันดีไหมโอ้มันดีหยุดได้ดีไหมพยายามทําอยู่แล้พยายามรักษาอยู่แล้วเรื่องทุกเรื่องอยากอย่าไปคิดก่อนจะคิดพิจารณาเที่ยวก่อนตอนนั้นเอาคิดไปเองร่างกายมันก็แล้วว่ามันทุกข์มันยากยินฟ้าอากาศเขาไม่ทุกข์เทุกข์ดิการงานก็เหมือนกัน เราคิดให้มันเป็นแม่สอนเจ้าของธรรมดาเขาเป็นอย่างนั้นแล้วก็ะปันนึกพุโธพุโธเริ่มบัดเนี่ยบัต่อไปหัดหัทานให้ทําเป็นทานเป็นข้างเป็นข่าวก็ดีหยุดไม่คิดนะให้เป็นข้างเป็นข่าวลองปู่พันมาเป็นคนเป็นคารวะนี่ได้เท่าสร้างพระหูแล้เบ้นก็ยังดีได้เคยเห็นได้สร้างพระหูแล้เบ้นนิดเดียวก็ได้ถ้าทาหลับท่านรักษาได้ทำงันทั้งคืนนี่ตั้งควจะไปเกิดีกูบายจานเพื่อรักษาทำงันทั้งคืน คือจิตสงบเหลือแต่รู้พูดภาษาบัดเดียวตรงนั้นมาวดลบหายใจไม่เกิดอีกบอกวิธีให้วันนี้ความทุกข์ความยากทานทิ้งใช้บัดเ น, นี่เราคิดว่าใจ ป, ปวดว่าไม่กําลังปรสังว่เอาไม่เอาใบกลับไปเด้อเอาแต่ความสุขความสบายนีแต่ความรู้ความสตางเป็นคนไม่ทุกข์ไม่ยากวันนี้บอกวิธีรักษาใจเมื่อท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังนําไปไปฏิบัติโดยความไม่ประมาทก็จะประสบพบเห็นแต่ความสุขความเจริญ ทางปัจจุบันและข้างหน้าได้แสดงมาขอยุติเอวังมีอะไรจะถามมั้งมีอะไรที่จะสร้างม่อะไรก็รกแต่เขามันสวรรนี่กัน <c oughs> ม่อะไรก็ไม่รวมกันนี่นะจะมา่ร้ า, า, างโน้นสร้างนี่ <c oughs> ไม่ต้องกล่าวอยากได้บุญหลายเลยพูดเมื่อกี้นี่ถ้าบอกอาสายอาจารย์มั่เนี่ยอาจารย์ไม่ไม่ได้หลายตัวอยากไม่ได้หลายทามด้วยความถามง่ายได้ง่าย จะบอกวิธีจะบอกวิธีให้เคยสอนคนหัฟังเด็ดดิทางง่ายอะไรเงมันจะองโยนในใจทั้งหมดอย่างนึงถ้าไปไ ป, ไปอยากมันบ่อยจะบอกวิธีให้ส่ยกรรมฐ า, านครูบาอาจารย์สอนเดี๋ยวนี้เขาไม่รูเ้เยอะเด้อยง่ายเง่ายหมดทำด้วยความเต็มใจก็ถวายได้จะให้พรนะไม่ต้องก่าวไม่ต้องกาวร้ อ, องผูกขั้นกันสอนะเพื่อจะได้งินขึ้นศาลเสียก่อนเป็นไงขึ้นศาลนึง มันยากใช่ไหมถ้าน้อยธนยาคารเอาไปกินหมด <c oughs> อันนี้ก็ทําง่ายได้ง่ายพระพุทธเจ้าเพิ่งนั่งอยู่ต้นโพยังได้สาเร็จพระพุทธเจ้าอันนี้ไม่มีใครสวนหลวงปู่พันไดสอนอันนี้ว่าสามหลวงปู่พันมาเลยใครอยากได้บุญจะบอกดีทําง่ายได้ง่ายทํายากได้ยากถ้าทำแบบนี้ต้องขึ้นศาลก่อนเพื่อจะได้เงินขึ้นศาลเป็ไงบางทีทนายเอาไปกินหมดเห จะบอกวิธีให้อะไรเนี่จะมาสอนนี่ยเลยอันนี้ได้มาจากหลวงปู่ฟันธ์มาได้เลยนี่ครูอาญาหลวงปู่ฟันจะมาจากอาจารย์มั่นอาจารย์มั่นทำทำแบบนั้นมันเป็นทุกวันนี้มันสมัยใหม่จะบอกวิธีให้หรอจะมาสอนให้คนเขาไม่อยากเชื่อเลยเดี๋ยวก็เขาจะมวนประเทศที่ไหนมันมันไปขัดเขาอันนี้มันได้มาจากครูอาจาเลยแล้วอาจารย์พันธป็ได้จากอาจารย์มั่น ใครถวายก็ได้ใครไปถวายคนไม่ถวายก็ประนมมือเอานึกเอานึ ก, นกในใจเอาต่อไปก็จะถวายพระไตรลงปู่นะครับเราได้น้อมจิตน้อมใจนะครับเอาใครใครจะมาถวายเออะเพราะนั้นก็ยกมือเอายินดีกับเขาก็ได้บุญถึงเราไม่ทำอะไรบุญให้ยินดีกับเขาถึงเราไม่ได้ทำา็ยินดีกับเขาก็ได้บุญ ถ้าไม่ยินดีมันไม่ได้ตรงนั้นแหละทำด้วยความเต็มใจเลยทำด้วยความเต็มใจใหไอ้บุญมันเต็มแบบนั้นอย่าไปอยากถ้าไปอยากมันไม่เต็มได้ทำไปมันอยู่ในใจทั้งหมดเลยโดเมื่อคืนนี้ได้บุญหลายทานห้าข้ออันนี้ได้อยู่ได้ความเพิ่มใจดีใจอยากเป็นมนุษย์กบทานห้าข้อนั้น มันจะไปฆ่าสัตว์ไม่ไปรักทรัพย์ไม่ไปไปโกหกไปกินเหล้าไม่ไปเราจะเป็นมนุษย์อุดมสมบูรณ์มานี่ทานความคิดเรื่องทุกเรื่องยากอย่าไปคิดคิดไปทั้งที่เดีย๋ยวมานึกพุโทโธพุธโทโธเป็นเทวดาเลยไปอยู่สวรรค์เลยเต่อไปทานหมดความคิดไม่คิดอะไระหมดเรื่องไม่เกิดอีกเราบอกวิธีไงให้ทําเป็นฐานสถานการณ์ให้ทั้งปวงบอกวิธีทานได้ทุกการทุกเวลาเลยคือความคิดเรายึดไม่คิดอะไรให้ทําเป็นฐาน ทนาการให้ทั้งมวอฮัดเอาเดียวไปยดไม่คิดอะไรหมดเลย อ, อันนี้กูจะทานความคิดไม่คิดเลยออเนี่กูเล่นมืองใส่มันเด้อล้วไปอ ย, อย่าบอกวิธีให้นะมาบอกวิธีสอนอคนมาอยากฟังเป็นอันนี้ก็ได้หลักมาจากกูบาอาจารย์ท่านอยู่หลวงปู่ฟันอาถ้มาก็อยู่กับหลวงปู่ฟัน26ปีผู้น่ะมาฮัตทางนี้บวชมาก็หกสิบสามปีเลย ฝึกสอนเจ้าของฝึกขัดเอบขับรถไม่เป็นของปู่เพราะผู้หญิงนี่ขับเป็นอันนี้เรียนขับใจเ <c oughs> พื่อจะได้เขาถามว่ายุดได้กี่ปีโอ้มันมั น, มน ไ, ไม่ได้ไม่แน่ได้ไปเรื่อยเมื่อกับหาเงินนี่เก็บไว้ไปเรื่อยๆมันค่อดีขึ้นอย่างมันสอนไม่ได้ขับใจมือขับใจง่ายๆกว่าขับรถซ้ำอ๋อตั้งใจแล้วพร เราเข้าใจเราบอกไปทีนี่เพราะว่าทําใจสะอาดยุดไม่คิดบุญจะเต็มอย่าไปอยากเลยตอนให้พรยุดไม่คิดบุญมันเต็มอย่าไปอยากเลยเทว่าเขาพูดถ้าเราทำใจสะอาดแม่อี่มาให้เขาฟังเียสะอาด <c oughs> เป็นเลยเาใจสะอาดยุดไม่คิดถ้าอยากมันไม่ได้เลยยุดมันเต็มบุญมันเต็มมันเต็มเต็มใจราบอวิธีให้เตั้งใจนะพร สัพพิเตโวัฏสันตุสัพพโลโควินัตมาเตพวัฏวันตาโยสุขีที่ขายุโกภวะอะพิวาธนาสีิตสะนิจังุท ธ, ธาปจยยโนยัตตาโลธรรมวัฏทันติอายุวันโนสุ ข, ขังพระหลัง<า> ใ, คใครมีอะไรก็ถามมา